จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรารสักอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่19กมกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมัสวนะ วันฟังธรรมเป็นวันสร้างความสุขทางจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตสภาวนาตลอดระยะเวลาหควันที่ผ่านมาเราก็หาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายหาความสุขกับลาบยศสรรเสริญแต่วันที่เจ็ดนี้คือวันพระเราจะมาหาความสุขทางใจกันความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญและเป็นความสุขที่ถาวร ที่จะติดไปกับเราแต่ความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่ได้ติดไปกับใจของเราหลังจากที่ร่างกายของเราแตกดับไปแล้วดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจให้ความสำคัญต่อความสุขทางใจให้มาก กว่าความสุขทางลาบยศจ ะ, ะสรสญทางตาหูจมูกนิ้กายเพราะเราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้นั่นเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันธรรมมะสวนะวันรักษาศีลอุโบสถให้แก่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ดำเนินได้ปฏิบัติเพื่อจะได้รับความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบของจิตใจที่เกิดจากการละเว้นความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายเช่นสินข้อสที่เราเคยปกติถือเป็นกามสุม um ิชาจาราเวรมนี คือลาเว้นจากการประพฤติผิดโเนยนีหมายถึงร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาหรือคู่ครองของเราในวันนี้ถ้าเราถือศีลแปกเราก็จะเปลี่ยนเป็นอรรมจริยาเวรมานีจะรักษาศีลพรหมจรรย์คือจะไม่ร่วมหลับนอน แม้แต่กับสามีภรรยาและคู่ครองของตนเพราะจะเอาเวลาที่ใช้ร่วมหลับนอนนี้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีด้วยการนั่งสมาธิหลับตา บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ดีหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปก็ดีด้วยสติคอยควบคุมคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดให้ให้ทำอยู่เช่นเวลาฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังธรรมเวลาสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ เวลาบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธเวลาดูลมหายใจเข้าออก mm. ก็ให้ดูแต่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดไปรับรู้เรื่องต่างๆทั้งหลายแล้วใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปพวกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะถอยห่างออกไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะหายไปจากการรับรู้ของใจใจก็จะสงบนิ่งมีความสุขเป็นอุเบกขาเป็นกลางไม่มีอารมณ์ว่าบุญกุนมัวต่างๆไม่มีความลักความชังความหลงความกลัวใจมีแต่ความสุขที่เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลาย ทรงยกย่องว่าเป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือภารกิจของพุทธศาสนิกชนในวันธรรมสวรนระในวันพระนี้คือละเว้นจากการเสพการทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับใครและจะ ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารเพื่อร่างกายคือรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขความสนานความสนุกสนานความเฮหาที่เกิดจากการได้ลิ้มรสของอาหารต่างๆแต่จะรับประทานอาหารเป็นเหมือนกับรับประทานยา และไม่รับประทานมากจนกลนไปคือจะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานแค่ถึงเที่ยงวันเพราะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการง่วงเหงาหาอนอนเพราะถ้ารับประทานอาหารมากมากก็จะเกิดอาการง่วงเหงาหาอนอน แล้วถ้ารับประทานอาหารเย็นด้วยก็ยิ่งจะนอนมากกว่าที่จะมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์ดังนั้นเราจึงต้องหักห้ามการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้รับประทานพอประมาณมัตัายุตาโภชนาะคือให้รู้จักประมาณคือความพอดีความต้องการของร่างกาย มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็จะทำให้หิวถ้ามากเกินไปก็จะทำให้ง่วงนอนทำให้เกิดความเกลียดคร้านไม่อยากจะปฏิบัติธรรมนี่ก็คือสินข้อ6ส่วนสินข้อ7ก็คือจะไม่หาความสุขกับการกับการบันเทิงต่าง เช่นการดูหนังฟังเพลงร้องลัมทาเพลงและจะไม่หาความสุขจากการแต่งกายให้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆไม่หาความสุขจากการใช้เครื่องหอมต่างๆเช่นแป้งน้นําหอมเพื่อให้เกิดความสุขใจจากการได้ดมกลิ่นหอ ม, หอม เหล่านี้วันนี้จะไม่ทำกันจากน้ำฟอกสบู่ก็พอแล้วผีผ้านีผมใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่มีสีสันเช่นชุดขาวหรือขาวหรือดำและจะไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะไม่นอนบนฟูกหน า, หนา เพราะการนอนฟูกหนาๆ น, านี้จะนอนหลับนานเกินความต้องการของร่างกายจะนอนบนพื้นไม้แล้วปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อถ้านอนแบบนี้ก็จะนอนไม่นานสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาเพราะพอเพียงต่อความต้องการของการพักผ่อนของร่างกายนั่นเอง แต่ถ้านอนบนฟูกหนาา น, านี้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อไปก็จะเสียเวลาอันมีค่าที่จะใช้กับการปฏิบัติธรรมใช้กับการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมนี่คือ หน้าที่ของเราในวันอุโบสถคือวันธรร ม, รรมสวรรค น, นี้ก็คือเราจะมาสร้างความสุขทางด้านจิตใจกันศีลเราก็รักษาทานเราก็ทำเราก็ทำบุญให้ทานมีอะไรก็นำมาถวายพระถวายแล้วก็จะทำให้ใจของเรา มีความสุขมีความอิ่มมีความภูมิใจมีความพอใจแล้วเราก็รักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพยแล้วก็ไม่พูดปลดมดเท็จไม่เสกสุรายาเมานี่คือเรื่องของการทำใจของเราให้มีความสุข พอใจของเรามีความสุขจากการให้ทานมีความสงบจากการรักษาศีลเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมทำจิตให้สงบมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการกระทาที่ไม่ยากเย็นไม่เหมือนกับบุคคลที่ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีล ไม่ได้ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะไม่สามารถบังคับใจให้นั่งอยู่เฉยๆให้อยู่นิ่งๆให้สงบได้เพราะจะถูกอำนาจของกิเลสตันหาคอยฉุดลากให้ไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง นี่คือการสร้างความสุขทางใจเราต้องละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผพดธัพพะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายตาเราก็ไม่ดูเช่นไม่ดูหนังฟังเพลงหูก็ไม่ฟัง แหมูกก็ไม่ดมกลิ่นหอมๆลิ้นก็ไม่ลดไม่ลิ้มรสชาติที่ถูกปากถูกใจพยายามตักกินเท่าที่เท่าที่จำเป็นไม่กินระหว่างมือเช่นเราถ้ากินข้าวเราก็จะกินทุกอย่างพร้อมกันไปหมดทีเดียวเลยอยากจะกินขนมของหวานหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆ ก็ให้กินในตอนที่เรารับประทานอาหารพอหลังจากเสร็จการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ไม่ดื่มไม่รับประทานของที่มีรสชาติอีกต่อไปถ้าจะดื่มก็ให้แต่ดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าไม่ตัดไม่ไม่ระงับ มันก็จะมารบกวนใจจะทําให้ไม่สามารถนํางทาจิตใจให้สงบได้แต่พอเราควบคุมบังคับใจของเราไม่ให้มีความอยากในสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราทําสมาธิก็จะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจคือไม่มีนิวรณ์ที่เรียกว่ากามฉันทะนี่เอง การที่จะทําจิตใจใสงบได้นี้ต้องระงับนิวรณ์ให้ได้นิวรณ์นี้มีหลายข้อด้วยกันมีอยู่หข้อข้อข้อหนึ่งนี้ก็คือกามาฉันทะความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องปิดประตูตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลพรหมจรรย์ ด้วยการถือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเช้งวันไปแล้วด้วยการถือศีลข้อเจ็ไม่ไม่ดูไม่ฟังสิ่งต่างๆไม่ลิ้มรสสิ่งต่างๆและละเว้นจากการนอนบนฟูกนาๆนเพราะจะทำให้เสียเวลาจากจากจากการปฏิบัติธรรม นี่คือเรื่องของวิธีการที่เราจะต้องทําคือกําจัดนิวรณ์นิวรณ์คือการมาฉันทะส่วนนิวรณ์ข้ออื่นก็มีเช่นมีความลังเลสงสัยนี่ก็เป็นนิวรณ์ในข้อนี้บางทีเราจะลังเลสงสัยว่าการปฏิบัตินี้จะได้ผลจะได้ ประโยชน์ดีกว่าการไปเที่ยวหรือเปล่ากับการไปหลับนอนกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่ากับการไปหาเงินหาทองหรือเปล่าถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเรืเราก็จะคลายความสงสัยได้ถ้าเราไม่ศึกษาฟังเทศฟังธรรมเลยเราก็จะถูกความหลงนี้หลอกให้เราคิดว่าความสุขที่เกิดจากการ ทำจิตใจให้สงบนี้มันจะดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้สัมผัสมาแล้วแล้วเขานำมาเล่าให้เราฟังยืนยันให้กับเราว่าความสุขจากความสงบนี่แหละดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พอเราได้ยินได้ฟังเรื่อย เราก็จะเกิดมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาคลายความลังเลสงสัยได้ทำให้เรามีฉันทะวิริยะที่จะนั่งปฏิบัตินั่งนั่ทำจิตใจให้สงบถ้าเรายังมีความลังเลสงสัยอยู่มันก็จะทำให้เราไม่มีกำลังใจไม่มีความยินดี ถ้าได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้สัมผัสมาแล้วก็วบอกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรดีเท่าเพราะพุทธเจ้าของเหล่านี้ท่านเคยมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศฉละสรินมากกว่าพวกเรามีกันต้องหลายร้อยหลายพันเท่าแต่ท่านก็ยังไม่เห็นว่ามันดีกว่าความสุขจากความสงมบเลย ท่านถึงสะละราชสมบัติได้ออกบวชได้เพราะตอนก่อนที่ท่านจะออกบวชนั้นท่านก็เคยได้สัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจมาแล้วเพียงแต่ว่ามันสงบไม่นานเท่านั้นเองถ้าองค์อยากจะให้มันสงบตลอดเวลาเลยแล้มีวิธีเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องปราบกามฉันทะต้องละความอยากในความสุขทาง รูปเสียงกิ่นลดทางลาบยศสรรเสริญนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีของพวกเราเป็นผู้ยืนยันให้เราเห็นแล้วว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วพระองค์ก็ไม่เคยกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญ ส, สุขอีกเลยเพราะ สิ่งความสุขที่พระองค์ได้นี้ทร ง, งอุทานว่าเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สุดยอดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องเลยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากราบยศเส ร, เริญและความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายที่มักจะมีความทุกข์มาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรนั่นเองเป็นความสุขเหมือนความเหมือนควันไฟที่ลอยไปแล้วก็จางหายไปได้เสพได้สัมผัสอะไรก็มีความสุขชั่วในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอระยะเวลาผ่านไปไม่นานความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดทําให้เกิดความหิวเกิดความกระหายเกิดความอยาก แล้อเกิดความเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาต้องหาใหม่ต้องหามาเสพใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็จะเป็นแบบนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขทางทางจาหูจมูกลิ้นกายทางลาบลดสรรเสริญแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้มันจะอยู่ติดไปกับใจถึงแม้ว่าในระยะเบื้องต้นนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานก็ตาม แต่ถ้าเราหมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดกับใจไปตลอดจะไม่มีความทุกข์เข้ามามาเกี่ยวข้องเลยเพราะนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปรมังสุขขังบรมมาสุขเนี่ยเป็นอย่างนี้ ถ้าเราได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆแล้วความลังในสงสัยในเรื่องของความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เราไม่มีอุปสรรคมาขวางการปฏิบัติของเราเราก็จะตั้งใจปฏิบัติมุ่ง ม, มั่นปฏิบัติเมื่อเรามุ่ง ม, มั่นปฏิบัติแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถพบกับความ สุขแบบนี้ได้ในเบื้องต้นเราต้องกำจัดนิวรณ์ก่อนการมาฉันทะเราก็เราก็ถือศีลแปดการนั่งในสงสัยเราก็พยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆส่วนนิวรณ์ธาตที่สามที่เรียกว่าความง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็ต้องใช้การ คือรับประทานอาหารพอประมาณอย่ารับประทานอาหารมากเกินไปถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปแล้วมันก็จะเกิดความง่วงนอนเวลานั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะสับประงกหลับในเราก็ต้องผ่อนอาหารลดอาหารเช่นถ้าเคยกินสามมือก็มาถือสีลแปรับประทานเพียงสองมือหรือมือเดียว ถ้ายังรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่ก็รับประทานเพียงครึ่งเดียวเคยรับประทานเท่าไหร่ก็ลดมันลงไปเหลือครึ่งเดียวถ้ายังถ้ายังง่วงอยู่ก็ไม่รับประทานเลยเอาแต่ดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมแทนก็ได้เช่นดื่มนมหรือดื่มน้ ำ, นำผลไม้เพื่อที่จะ ไม่ทำให้น่างกายนี้ง่วงเหงาหาานอนการปฏิบัติธรรมนี้ต้องลงทุนหน่อยการจะได้ความสุขไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องลงทุนความสุขทางโลกเราก็ต้องออกไปทามาหากินลำบากลำบนเพื่อหาเงินหาทองพอเราได้เงินได้ทองแล้วเราก็เอาเงินนี้ไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส เราถ้าเราต้องการความสุขทางใจความสุขของความที่เกิดจากความสงบของใจเราก็ต้องลงทุนเหมือนกันเราก็ต้องอดต้องมีความอดทนอดกลั้นต้องอดอาหารอดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างนี้เราถึงจะได้กำจัดนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการปฏิบัติของเรา นิวรนนี้ก็เป็นเหมือนกำแพงถ้าเราจะผ่านกำแพงนี้ไปได้เราก็ต้องเจาะหรือทำลายกำแพงอันนี้ซึ่งถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีทางที่จะได้พบกับความสุขอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันใครก็ตามที่ปฏิบัติจิตภาวนาหรือปฏิบัติธรรมนี้จะต้องทำอย่างนี้ด้วยกันทุกคน เพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้ผลนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความอยากของเราความอยากรับประทานอาหารมากๆอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องตัดมันลงไปหรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนด้วยการลดอาหารหรือผ่อนอาหารได้ เราก็มีวิธีหนึ่งก็ให้ไปหาที่ไปอยู่ที่มันมีความน่ากลัวเพราะถ้าเราอยู่ตามสถานที่ที่มีความน่ากลัวเราก็จะไม่ง่วงนอนเราก็จะตื่นและเราก็จะต้องภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาความกลัวนี้ก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจ ถ้าเรากลัวมากๆนี้เราก็จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องเพราะเราจะไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากลัวถ้าเราบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องได้ไม่นานจิตก็จะสงบได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นวิธีแก้นิวรณ์ต่างๆที่เราจาเป็นที่จะต้องต้องแก้ให้ได้ ถ้าเราต้องการพบกับความสุขภายในใจและเราก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนใช้ธรรมะคือความอดกลั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะพบกับความสงบสุขของใจได้นิวรณอีกข้อหนึ่งก็คือความโกรธความโกรดนี้ เวลาที่เรามีความโกรธนี้เราจะทําใจให้สงบไม่ได้ดังนั้นถ้าเรามีถ้าเรามีความโกรธใครอยู่เราต้องดับความโกรธนี้ให้ได้ก่อนและวิธีดับความโกรธก็คือให้ใช้เมตตาคือให้ไม่ให้ไม่ให้จองเวนเอาเวลาหนนตุสัเพสตาอาเวราหน ต, ต, ต, หนตุขอให้เราฝึกการไม่จองเวน ด้วยการให้อภัยใครทำอะไรเราก็ให้อภัยกับเขาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองอย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกันเราคงไปทำอะไรเขามาก่อนทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยมาทำเราแต่เราจะไม่ไปตอบโต้ เพราะถ้าเราไปตอบโต้ก็จะทำให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วเขาก็จะกลับมาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ให้อภัยแล้วเราใจของเราจะไม่มีความสงบจะไม่รังรับจากความโกรธแค้นได้ก็จะไม่มีทางที่จะทำจิตใจให้สงบให้ให้พบกับความสุขที่ประเสริฐนี้ได้เลย ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องให้อภัยไม่จองเวรและเราก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะการไปเบียดเบีย น, นผู้อื่นเช่นไปทำร้ายผู้อื่นไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความไม่สบายใจใเวลาจะทำใจให้สงบก็จะเกิดความยากเย็นเราถึงต้องรักษาศีลกัน เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตักชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จโกโหกหลอกลวงและละเว้นจากการดื่มช่วยยาเมาที่ทําให้จิตใจของเรานี้ขาดสติไม่สามารถควบคุมใจให้สงบได้นี่ก็คือวิธีการกําจัดนิวรณ์ต่างๆ มีการมาฉันทะมีความลังเลสงสัยมีความความง่วงนอนง่วงเหงาหงานอนมีความโกรธและข้อสุดท้ายก็คือความฟุง้งซ่านใจของเรานี้ชอบคิดอยู่เรื่อยเปื่อยเราก็ต้องเจริญสติให้มากๆ เพื่อที่จะได้ควบคุมใจของเราไม่ให้คิดด้วยเปื่อยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หนึ่งใจมาให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เช่นในขณะนี้เรากำลังฟังธรรมฟังเทศอยู่ก็เน้นใจให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรม อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราควบคุมได้เราบังคับได้แต่เราไม่ไม่เราไม่ค่อยชอบควบขัดใจเท่านั้นเองเรามักจะปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อ ย, เ, อยเพราะเราไม่เห็นโทษของมันว่าเวลาที่มันคิดไปรือมากๆนี้มันก็จะเกิดอาการฟุ้งซ่านเกิดอาการเสียสติได้คนที่คิดมากๆนี้ กลายเป็นคนบ้าไปก็ได้ถ้าไม่มีสติค อ, คอยควบคุมก็ถึงเรียกว่าคนเสียสติเสียสติเพราะว่าเหมือนกับรถเบรกแตกไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดไร้สาระต่างๆได้ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดในที่สุดก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้หมีให้ใจเราอยู่กับตัวเราให้อยู่ก right? cool. ับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติ ที่จะสามารถบังคับใจควบคุมความคิดของเราได้พอเวลาเราจะนั่งทาสมาธิทาใจให้สงบให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับการบริกรรมพุทโธให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามันอยู่อย่างนี้ไม่นานมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นเอกตารลมสักแต่ว่ารู้ แล้วก็จะมีแต่ความสุขที่เราไม่เคยได้พบมาก่อนถ้าเราได้พบความสุขแบบนี้แม้แต่เพียงครั้งเดียวและในช่วงระยะาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีมันก็จะมีกำลังที่จะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขแบบนี้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือวิธีการต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่ประเสริฐที่เรียกว่าปรมาสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่เราได้พบกันต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราเช่นในวันนี้ในวันพระ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเราก็เลือกเอาวันพระเป็นวันปฏิบัติก่อนแล้วพอเราเห็นผลมากขึ้นไปแล้วเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติขึ้นไปตามลำดับต่อไปก็ไม่ต้องมีวันพระมีเวลาไหนว่างเราก็จะปฏิบัติเราก็จะรักษาศีลเราก็จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะเจริญสติอยู่เรื่อย ต่อสู้กำจัดนิวอนันาัมสางปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยเรเราก็จะได้ความสุข <c oughs> ที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะมีความสุขแบบนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตื่นหรือว้หือหลับใจยังมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขเลยเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองมันให้ความสุขก็ความสุขแบบควันไฟพอมันหายไปแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวขึ้นมาภายในใจแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวถึงแม้จะอยู่เพียงคนเดียวอยู่ตามลาพังก็ตาม จาไม่รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเศร้าสร้อยหงอยเหงาเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามปฏิบัติกิจของวันพระนี้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มวันปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความสุขอันเลิศอันประเสรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา